สิกขาบทที่หถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินกระโยงไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา